บัรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปสังโยชน์คือกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นแล้วปูุกใจสัตว์เอาไว้ห้าประการที่กล่าวมาโดยลำดับนั้นเป็นสิ่งที่ระยะบุคคลสามจำพวก คือพระโสดาบันละได้สามข้อแรกพระสกิตาคาก็คงละได้สามข้อแรกแต่ว่ากิเลสประเภทราคะโทสะโมหะนั้นเบาลงจะจะเบาลงขนาดไหนท่านก็ไม่ได้แสดงไว้แต่จากการสังเกตรประวัติระยะบุคคลระดับนี้ปรากฏว่าไม่มีครอบครัวซึ่งหมายความว่า อิเลสประเภทราคะก็คงเบาลงมาจนไม่มีความพอใจยินดีในเรื่องของครอบครัวในส่วนของกระนาคามีนั้นละเพิ่มขึ้นอีกสองข้อคือการราคะจิตที่กำหนัดพอใจยินดีในวัตถุกรรมทั้งหยาบทั้งกลางและทั้งละเอียด จะพูดง่ายๆว่าตัดขาดความพอใจในวัตถุกรรมทั้งที่เป็นทิพย์และเป็นมนุษย์ปฏิกะก็คือความไม่พอใจไม่ยินดีเป็นกิเลสประเภทโทสะแต่ก็เบาลงไปเป็นการลัได้เด็ดขาดอย่างแท้จริงท่าสาชนทั้งหลายจะเห็นได้ว่ากิเลสทั้งห้าข้อนี้ เมื่อเราเกาะกรุงมเป็นโลกโกรธหลงก็คงเป็นหลงเป็นโลกเป็นโกรทสามข้อแรกเป็นอาการของความหลงซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลทั้งหลายยกเว้นพระเระสวดาบันบุคคลขึ้นไปในอาการปฏิบัติส่วนใหญ่ที่พระเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็ไม่ได้มุ่งถึงกับ จะเคยจัดให้หมดไปทีเดียวเลยประสงค์รู้ความแตกต่างของพื้นเพจดิตรัตยาศัยวัสนาบารมีอินทรีของบุคคลที่มีความแตกต่างกันธรรมะส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องของการค่อยๆขัดเกลาความรู้สึกเหล่านั้นให้จางลงไปบรรเทาลงไป ถึงแม้จะมีอยู่ก็ไม่รุนแรงเกินไปจะต้องออกเป็นทุจริตทางกายทางวาจาในด้านจิตใจก็มุ่งไปในทางสงบหรือสยบความคิดในลักษณะนั้นในวิธีการไปบัตดแนวของสมถกรรมฐานนั้นที่จริงก็มุ่งสงบความคิดเหล่านี้เอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นกรุ่มรุมใจมากเกินไป มันก่อนได้พูดถึงแนวของสักกายติทิฐิที่ทรงสอนในรูปของการบันเผาความรุนแรงก็เป็นการเริ่มต้นจากการใช้ปัญญาพินิจนเจณาเห็นในแง่ของความจริงหรือจะมองในจุดใดก็ได้ประเดงความเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขานั้นมาเริ่มต้นจากการไม่มีอะไรมาก่อน เราก็เริ่มความมีขึ้นในตัวสิ่งที่มีนั้นก็มีวามเปลี่ยนแปลงขึ้นไปโดยลำดับอย่างการเกิดขึ้นของชีวิตเราหรือชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นมันก็มีจุดเริ่มต้นมาอย่างน้นความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเชื้อที่มีอยู่ภายในใจเราแล้ว ในส่วนที่สองก็เกิดขึ้นจากการยอมรับเรียกยอมรับสมมติบัญญัติที่เราสัมผัสอยู่ในโลกตลอดตั้งการแต่งตั้งการมอบหมายการได้ยศการได้ตำแหน่ ง, ต, งต่างๆแล้วกข็ขอให้เกิดความยึดถือขึ้นซึ่งเรื่องนี้ในแนวการปฏิบัตินั้นจะมีอยู่สองระดับ ระดับหนึ่งเป็นเรื่องของความรับผิดชอบตามสมควรแก่ฐานะหน้าที่ที่เราถูกสมมติให้เป็นหรือว่าเป็นโดยสมมติว่าจริงแม้แต่การเป็นพ่อแม่ลูกกันมราก็สมมติกันในชาติหนึ่งชาติหนึ่งเท่านั้นเองในชาติต่อไปก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกกันอีกหรือเปล่าเระบางครั้งเราก็ตั้งใจอธิษฐาน ฉันสมมติว่าลูกตายไปพ่อแม่ก็ทีฐานใจว่าเกิดชาติหนึ่งพบใดก็ขอให้มาเป็นลูกของแม่อีกโดยเราลืมไปว่าในพบใหม่นั้นที่จริงคนที่เป็นลูกของเรานั้นไปเกิดก่อนแล้วก็แก่กว่าเราในชาติต่อไปก็ไม่มีทางที่จะมาเป็นลูกของเราได้ถ้าเราจะเป็นลูกของเขาเนี่ยไม่แน่เราจะตายเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าลูกนั้นตายไปแล้วแน่นอนก็เกิดแล้ว ถ้าเราอีกอยี่อยู่อีกตั้งยี่สิปีหรือยี่สิกว่าปีจะตายสมมติเราจะเกี่ยวข้องกั น, ก น, เ, นเขาก็คงไม่เป็นลูกเราเนอกจากเราเป็นลูกเขาเพราะเรื่องเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของสมมุติแม้ในช่วงของศาสารวัตตก็เป็นความจริงในแง่ของการสมมุติแต่มาสมมุติแล้วก็ทรงสอนให้ปฏิบัติในรูปของหน้าที่ในหน้าที่ที่ติดตัวมาโดยกําเนิด คืยอมรับความเป็นพ่อของเราแม่ของเราญาติพี่น้องวงศากัน ญ, ญาติของเราแต่การปฏิบัติในแนวสมมตินี้เองพระพุทธเจ้าเองก็ปฏิบัติเหมือนกันปฏิบัติได้สงบงประณีตลึกซึ้งกว่าคนที่ยังมีกิเลส ท, ท, ทั้งๆที่ในแง่ความจริงพระองค์ก็ได้ตัดสกยตทิฏฐิออกไปแล้วคนนี้เปเหตุในรูปของ ยาตะถะจริยาคือการสงเคราะห์พระประโ ย, ยาติในวิธีการต่างๆตามปกติแล้วพระพุทธเจ้าจะไม่ปิดเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องที่เป็นกรณีพิพาทของชาวบ้านแต่พอถึงพระญาติทะเลาะวิวาทกันหรือมีปัญหากันพระพุทธเจ้าก็จะเสด็จเข้าไปทรงให้เหตุผลทรงชี้แจงทรงเสนอข้อคิดต่างๆให้คนหล่อนนั้นคิดเอา คือจะหยุดตัวเองข้ามใจตัวเองเอาไว้แล้วสงเคราะห์พระประยุรญาตอวิธีการต่งตางๆเช่นนาพระนุชาทั้งสองพระนุชาหรือพระนลออกบวชหรืนางรู ป, ปนันทาออกบวชพระนางมาประชาพดีออกบวชพระนางยาโสธราหรือพระราหุลออกบวชคืนี้เป็นการมองว่าในฐานะที่ รงทรงเป็นหลักอยู่สมบัติในโลกนั้นเป็นโลกญาติสมบัติซึ่งอาจจะเสื่อมไปก่อนเราหรือว่าเราเสื่อมไปก่อนเขาแต่แน่นอนที่สุดก็คือไม่ได้อยู่บริโภคใช้สอยทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตลอดไปเพราะทั้งเราตั้งเขามันก็อยู่ในของอยู่ในสถานะที่ม่เชี่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาก็ทรงปรารถนาที่จะให้ โลกุตระสุบัติที่จะอำนวยโลกุตระสุขแก่บุคคลเหล่านั้นก็ได้ชักนำให้บวชกันไปโดยลำดับจะนำพระประยุรยา่าต่างๆเป น, นั้นมากออกบคนในความพระเจ้าสุโธธนาเองซึ่งต้องเป็นพระราชาดูแลสารทุกสุขดิบของประชาชนพระเจ้าก็จะทรงสอนธรรมะในระดับนั้น ในตอนแรกก็เป็นแค่พระโสดบันแต่ว่าก่อนจะสวรรคตนั้นพูะเจ้าก็นั่งเฝ้าดูลแลปฏิบัติแบบลูกดูลกแลพ่อซึ่งเจ็บป่วยแล้วก็ให้ข้อคิดแนะนำธรรมะไปเรื่อยๆบอกกลมกรรมฐานไปเรื่อยๆจนพระเจ้าสุโธธนะได้บรรลุพักผลเป็นพระอระหันต์นั่นแสดงว่าภารกิจเหล่านั้น เป็นยาตัจริยาคือสงเคราะห์ระญาติเป็นการปฏิบัติในฐานะของโล ก, กสุบุตรเป็นการทำหน้าที่ตามวิถีทางของชาวโลกที่เกี่ยวข้องกันเท่ในขณะเดียวกันก็สงสอนกระจายออกไปเรื่อยๆจะกลายเป็นสะเพสตาอย่างที่สุดกัน จริงการมองว่าสเพสตาณ น, นั้นก็เป็นการมองแบบตัวตนเหมือนกันเป็นตัวเป็นตนไปนเราเป็นเขาไปพวกเราพวกเขาเรียบร้อยเพียงแต่ว่ามีจิตเกื้อกูลมุ่งดีปรารถนาดีต่อกันต้องการให้แต่และชีวิตอยู่ร่วมกันโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยไม่มีอันตรายไม่เบียดเบียดกันไม่ประทุสรายกันในแง่ของโลกมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุ ธรรมะส่วนนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติทั้งที่เป็นปุตุชนและทั้งที่เป็นพระบุคคลบางครั้งท่านเรียกว่าโลกาโนวัตคือคล้อยตามโลกไปคติไทยก็คงเหมือนกับคําว่าข้าเมืองตาหลิวก็หลิ ว, ล ว, ลวตะตามพระเจ้านั้นทรงปฏิบัติตามจารีตประเพณีแบบแผนคตินิยมความชื่อถือของบุคคลในท้องถิ่นเหล่านั้น ตนรับสั่งว่าพระองค์ไม่ทะเลาะ ก, กับโลกจะมีก็เพียงแต่โลกไปทะเลาะ ก, กับพระองค์เองเช่นว่าชาวโลกเชื่อถืออย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นเมื่อทรงเห็นว่ามันไปได้เป็นวิธีทางที่ยำวยประโยชน์สุขให้ระดับหนึ่งก็ไม่ทรงปฏิเสธในเรื่องดอดนั้น แต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสนอข้อปฏิบัติที่สูงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นโดยแล้วก็คิดเอาว่าจะอยู่ตรงนี้หรือจะก้าวต่อไปอยู่ตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นภัยเป็นอันตรายอะไรหรอกแต่ว่าเจริญก้าวหน้าน้อยไปหน่อยถ้าจะขยับขึ้นไปข้างบนอีกหน่อยก็จะเป็นการดีก็ทํานองแกล้ๆกับเรื่องของศีลเนี่ยศีลห้านั้นเป็นศีลที่มีอยู่ก่อนแล้ว น, กกกนรกแกระชงปรับเนื้อหาของศีลห้าให้มีความประณีตขึ้นแล้วก็ยังไปปรับที่ตัวศีลจิตคือเพิ่มขึ้นอีกสมข้อแต่ก็เป็นข้อเสนอเลือกเอาพุทธศาสนิกชนทุกคนไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีล8ปแต่ก็จำเป็นจะต้องมีศีลห้าเพราะศีลห้าเป็นปกติภาพของชีวิต คถ้าใครมีจันทร์เท่าสาหะที่จะรักษาศินแปดสินโบสดก็ดีแต่ก็ต้องแสดงความจำนมความตั้งใจออกมาเองเพราะลักษณะคําสอนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องของกา ร, ก ค, กราค่อยๆขัดกล่าวคืออย่าคิดว่าจะทําได้ในเวลารวดเร็วเป็นเรื่องใหญ่สิ่งเหล่านี้ก็ครอบงาจิตวิญญาณของเรามาในสังสารวัฏใเป็นเนเดกันนั้น การนิ่งจะไปสลัดเขาหลุดออกไปนั้นมันเป็นเรื่องที่ต้องทําผ่านการเวลามามากแล้วที่เราเรียกว่าเป็นคนมีบา ร, รมีจะสร้างส ม, มบูรณ์บารมีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานเกิดมาชาติที่จะบรรลุมรผลกิเลสมันม ก, ก็น้อยเต็มทีแล้วมันขัดเราได้ง่ายแต่เราก็ไม่รู้ว่าสังสารวัตนนั้นเราก็สร้างบา ร, รมีมาขนาดให ประเด็นสาคัญยังอยู่ที่เพียงพยายามขัดเกลาวความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาออกไปกลายมีความรู้สึกว่าเป็นเรากับพวกเราที่เที่ยวเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นความคิดอย่างนี้ก็คือคิดด้วยปัญญาเพราะกิเลสประเภทนี้เป็นโมหะปัญญาเรายิ่งคิดยิ่งพิจารณามากเท่าไหรเ่เราจะเห็นความเป็นสากลมากเท่านั้น แม้ความชีวิตทั้งหลายนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะสากลในความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพลากก็เป็นเรื่องสากลที่ทุกคนต้องมีความเปลี่ยนแปลงตามวิถีของกรรมคือการกระทำที่บุคค ล, ลกระทํำเอาไว้มันก็มีแก่คนทั้งหลายไม่ได้เจาะจงว่าคนนั้นจะเป็นใครแต่ปัญหาว่าเขาประพฤติปฏิบัติอย่างไรความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเขาก็จะเป็นไปตามการกระทําของเขา เราก็มองเห็นความเป็นสากลว่าทุกชีวิตมื่เกิดมาแล้วมันก็แก่เจ็บตายในขณะที่ยังไม่ตายก็ประสบกับการพลัดพรา ก, กสูญเสียนาน า, นาสารพัดอย่างทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณเราก็พลัดพรากสิ่งต่างๆไปที่จริงมันก็พลัดพรากทั้งคนรักคนช่างแต่ทรงสอนในแนวของคนที่เรารักทําไม เพราะว่าคนที่เราช่างนั้นพลาดพรากไปได้เราสบายใจแต่คาสอนนั้นต้องการจะแก้ทุกเมื่อคนที่เป็นศัตรูก็พลาดพรากไปเราก็ไม่เป็นทุกข์อะไรเราก็ดีใจเราสบายใจไ ม, ไม่ต้องไปคิดอะไรมันแต่คิดปรับใจที่จะทำใจกับตัวเองเอาไว้อย่าให้เกิดความทุกข์ในกรณีที่พลาดพลากจากคนสัตว์สิ่งของเป็นที่รักวงก็สอนมาในแนวนี้เป็นหลัก แต่ในขณะเดียวกันเราก็มองเห็นได้ว่าเด็คนที่เราโกรธกันในสุดเราก็ต้องพรากจากไปตัวไม่จําเป็นจะต้องไปทําลายไปขืนฆ่าไปปัสุทธิ์ยอะไรเขาพรอในที่สุดเขาก็ต้องตายตามธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเราไปเบียดเบียนไปต่อสู้ไปปัสุทธิ์ไรกับเขาเสอีกเราก็หาเรื่องเพิ่มบาปกรรมให้แกเราโดยไม่มีความจำเป็นอะไร เพราะเขาเองก็ตกอยู่ในกติธรรมดาอยู่แล้วคือเกิดมาแล้วก็ก็ต้องตายไปในที่สุดก็จะอยู่ตัวเองไว้ได้คือไม่กระทําชั่วในกรณีที่เกี่ยวข้องกับคนซึ่งเราไม่พอใจแล้วก็พร้อมที่จะรับใจให้ยอมรับความจริงในกรณีที่คนซึ่งคนสัตว์สิ่งของมันเป็นที่รักต้องพลัดพักจากไปในวิจิตรศาก็มีลักษณะอย่างนั้น เป็นกินเลสประเภทโมหะเหมือนกันหมายความว่าเรารู้เรื่องเหล่านั้นไม่ชัดเจนมันก็เกิดความสงสัยแต่เรื่องอะไรที่เรารู้อย่างชัดเจนแล้วเราก็จะดับความสงสัยเสียได้บรรเทาความสงสัยไปได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะแก้ความสงสัยก็คือข้อที่เราเรียกว่าโยนิโสปนัสสิการคือการกระทาไว้ในใจโดยเหตุดยผลโด ย, ยวิธีที่เหมาะสม เรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ต้องมองว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องอะไรอุปกรณ์ในการเรียนรู้เรื่องเหล่านั้นคือเรื่องอะไรเราจะขาจัดความเครือข่ายสงสัยในเรื่องเหล่านั้นได้โดยวิธีใดครนี้ผู้สังเกตแม้จากประสาทสัมผัสของเราที่เห็นรูปด้วยตาเป็นต้นเนี่ยหมายความวาเรื่องที่มองด้วยตาก็ต้องพิสูจน์ด้วยตา แต่ก็มีปัญญากำกับด้วยแล้วก็มองไปด้วยเรื่องที่จะเราพิสูจน์ฟังด้วยหูมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยหูแต่ว่าปัญญาเข้าพิจารณาที่เสียงซึ่งผ่านเข้ามาทางหูเรื่องที่ต้องพิสูจน์ที่เป็นกลิ่นมันก็ต้องพิสูจน์ด้วยเครื่องมือเป็นเครื่องพิสูจน์ก็คือจมูกเต่วาตาจะไปหูไปพิสูจน์ไม่ได้ ในขณะเดียวกันก็ใช้ปัญญาอาศัยสื่อที่ผ่านมาทางจมูกนั่นเองเป็นเครื่องมือในการพิจารณาแม้ทางลิ้นก็มีลักษณะอย่างนั้นทางกายก็มีลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เป็นหลักที่ท่านสอนในแนวของการใช้โยนิโสปนาสิกร เพราะอะไเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงส่วนมากแล้วจะถูกมีการปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์นั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการปรุงแต่งขึ้นมาประดับประดาขึ้นมาซึ่งจะเป็นจะต้องใช้ปัญญาพินิษฐ์พิเคราะห์คนนี้เราลองสังเกต ด, ดูว่า พระพุทธเจ้าของเราในสมัยที่เป็นป ร, ราชกุตมารทรงสงสัยถึงชีวิตนอกเมืองนอก ร, ราชวังแล้วเขาเป็นอยู่กันยังไงพระราชบิดาก็ไม่ยอมให้ออกไปในสุดก็ขอพระบรมราชาอนุญาตเพื่อจะออกไปพระเจ้าสุทโธทนาเห็นจะขัดพระทัยไม่ได้ก็รับสั่งให้ประดับประาดาตกแต่งบ้านเมืองต้อนรับเป็นการรุ่งร่าคู่ฝ้า พระเจ้ากุมารเสด็จไปเขาก็พบแต่สิ่งที่สวยงามแต่ธรรมดาคนที่มีปริชาญาณมีความหรียงรู้มีความเฉลียวฉลาดนั้นมองปัญหาจากจุดนั้นไม่ได้มันก็มองจากจุดอื่นตามตำนานท่านบอกว่าคนแก่คนเจ็บคนตายเนี่ยจะไม่เห็นไลยเพราะคนแก่ๆก็ต้องเก็บซุปไว้ก่อนเก็บไว้ในบ้านก่อน คนที่ออกมารับมันก็เป็นคนรุ่นหนุ่ม ร, ร, รุ่นสาวคนกลางคนประดบประดาตกแต่งร่างกายใด้สวยงามบ้านเรือนก็ตกแต่งได้สวยงามแต่คนเราจริงๆแล้วมันก็ทำไปได้ตามสถานะเพราะในหมู่คนเองมันก็แสดงความแตกต่างทางเศรษฐกิจมันมีเศรษฐกิจแตกต่างกันในบ้านเรือนเองก็แสดงสถานะที่แตกต่างกันทางเศรษฐกิจ เพยังไงบ้านเมืองที่ซ่อมซ้อที่เก่าชราที่หลังเล็กๆที่ซุดๆจะพังไม่พังแหล่เนี่ยมันก็ไปย้ายเขาไม่ได้วันเดือนตอนนั้นจะประดับประดายอย่างไรมันก็สะดุดประทไทยนี่คือแนวคิดที่ทรงพิจารณาเห็นว่าภาพนี้ไม่น่าจะเป็นจริงเพราะมันมีความขัดแย้งกันอยู่อย่างน้อยก็เห็นได้ชัดก็คือสองจุด จุดการประดับประดาตกแต่งร่างกายของคนกระเช้เห็นถึงความทุกข์ความสุขของคนว่ามีมากน้อยไม่เท่ากันบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนก็แสดงเห็นความแตกต่างกันนั้นคือแนวของโยนในสมนศิการว่าไม่ได้ดวนพรีพรามตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธไปในทันทีทันใดมีการนำเสนอโดวยวิธีใดก็ตามนั้นก็คือการนาเสนอของเขา รับมาแล้วเราก็ต้องหยุดคิดต้องฉุกคิดก็น้อยก็ได้คิดที่จะแสวงหาความจริงจากเล่นต่อเดนก่อนจะตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อซึ่งในที่นี้พืงนสังเกตว่ามันก็มีอยู่สองหลักหลักหนึ่งก็คือ ใช้ปัญญาพินิษฐวิเคราะห์ไปตามสมควรแก่กรณีของเรื่องนั้นแล้วเมื่อเห็นแจ้งตามความเป็นจริงแล้วก็ปร่งใจเชื่อหรือปร่งใจปฏิเสธไปตามสมควรแก่กรณีก็แสดงว่าใช้ปัญญาเป็นเกณฑ์ซึ่งวันที่จริงแล้วก็ค่อนข้างยากเพราะคนเราคงไม่มีเวลาที่จะศึกษาค้นคว้าเพิ่มปูนปัญญาจนวินิจฉัยตัดสินเรื่องอะไรไปได้ทุกเรื่อง อีกแนวหนึ่งก็คือใช้ศรัทธาอย่างความสงสัยแดเรื่องที่ทรงแสดงเอาไว้นั้นก็คือสงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาในเรื่องชีวิตอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตอนาคตแล้วในกฎของปัจจยาการซึ่งแต่ละอย่างนั้นเราเจอพบว่า เกี่ยวเนื่องมากับพระพุทธเจ้าหมายความว่าพระทรบรนั้นเป็นผลตรงจากการสัสรุของพระพุทธเจ้าใสิกขาเป็นบทปัญญตัตาถือคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิจจสมุปบาทเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสัสรุหรือปัจจยาการนั้นเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสัสรุเรื่องอดีตอนาคตปัจจุบันเป็นเรื่องของกาล ที่มันมีมาแล้วเรื่องอดีตนั้นมีมาแล้วแล้วก็ดับไปแล้วเรื่องอนาคตนั้นเป็นเรื่องที่ยังไม่มีชีวิตเรานั้นก็อยู่กับปัจจุบันเราจะอยู่ถึงอนาคตกี่วันเราก็ไม่รู้พระสง์นั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าตัวลงมาทั้งหมดมันเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระพเจ้าทรงแสดงเรื่องอดีต อดีตการนั้นที่จริงเราก็รู้มันมีนะแต่อดีตชาติเราไม่แน่ใจอนาคตการเรารู้มันมีแต่วันอนาคตชาติเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันทีนี้ทั้งอดีตทั้งอนาคตมันก็คือกันก็คือไม่แน่ใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายในบางกรณีส่วนเวลานั้นเราเชื่อนะว่ามีเราใช้ปัญญาพิจารณาเอาได้เ ม, ม, มื่อมีวานเมื่อ มีเมื่อวานก็มีวันนี้มีวันนี้ก็มีพรุ่ง น, นี้ถ้าไม่ริบตายได้ก่อนถ้าเราตายมันก็มีนะฮะพรุ่งนี้ก็มีอยู่เปลียนแต่เราอยู่ไม่ทันพรุ่งนี้เท่า น, นั้นเองเพราะเราไม่ได้ติดใจในเรื่องของการที่จริงเราไปติดใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือชีวิตสิ่งที่เรามาสงสัยเราจึางสงสัยเรื่องชาติก่อนเรื่องชาติหน้า เรื่องนรกสวรรค์เรื่องตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอะไรต่าอะเนี่ยก็มีความสงสัยกันอยู่ก็แสดงความสงสัยไม่ได้อยู่ที่ที่ที่ตัวเวลาแต่ความสงสัยมันอยู่ที่ชีวิตซึ่งไปผูกพันอยูกับเวลาทังนี้พระเจ้าก็ได้ทรงสัตว์สรุและทรงแ ส, ส, ส, สดงเอาไว้อดีตอนาคตปัจจุบนันทั้งหมด4ข้อหลังเนี่ย ตลอดถึงพระธรรมและไตรจิตขานั้นเป็นผลตรงมาจากการศัลยรูของพระพุทธเจ้าปัญญาเราไม่อาจจะหยั่งได้หมดมเรื่องมันลึกซึ้งเกิดไปโดยเฉพาะยิ่งยิ่งเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องพระธรรมเรื่องไตรสิตขาใ น, นเรื่องลึกซึ้งเราก็เชื่อในองค์พระพุทธเจ้าตรงนี้หลักก็คือศรัทธา ความเชื่อในพระพุทธเจ้าเพราะนั่นทำให้เราพบว่าประสวดบันเนี่ยมีคุณสมบัติเด่นที่จริงก็สามเรื่อง เ, เราจะพูดมุมใดมุมหนึ่งก็ได้ก็ที่จริงก็คื อ, ก, คอก็คือเหมือนกันมาความรัดสังยยอดสามประการได้นันก็พูดแนวหนึ่งพูดในแนวละความชั่วอีกแนวหนึ่งก็คือความสมบูรณ์ของความดี เราพูดว่าเป็นทิฏฐิสัมพันนบุคคลคือท่านที่สมบูรณ์ในทิฏฐิคือความเห็นที่ไม่มีความวิปริตเปลี่ยนแปลงมาเป็นอย่างอื่นแล้วก็มีโสตปฏิยังขัคือมีคุณสมบัติของมโสดาบัญชีประการก็คือศรัทธาเชื่อบ้านไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจทิกขาทีนี้จากศรัทธานี่เองก็ขจัดสักกายทิฏฐิได้ จากปัญญาก็ขจัดสกักยะติถิคือความเห็นเป็นตัวเป็นตนหรือความเปื่อแปลงต้องใส่ได้าทรัทธาที่จริงแล้วเราก็อิงพระพุทธเจ้าไปก่อนแต่อย่างที่เคยบอกไว้ว่าอุสลธรรมแม้แต่เพียงข้อเดียวนะโดยจับข้อใดข้อหนึ่งก็กได้ก็ให้มีอยู่ภายในใจเป็นหลักใจมันจะมีลักษณะเป็นรังสีคือเป็นแสงสว่าง มันส่องไปรอบด้านไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งแสงสว่างบางชนิดนั้นอาจจะส่องไปส่องไปข้างหน้าแต่เราจะเห็นว่าที่จริงเบื้องหลังแสงสว่างเช่นว่าไฟฉายหรือว่าพุกโป๊กไฟอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็ส่องไปก็เห็นชัดเจนที่ข้างหน้าแต่ถ้าเรามอมองดูให้ดีแล้วข้างหลังมันก็สว่างมากกว่าในจุดอิด ก็แสดงว่าไม่ถึงก็มืดตื้อทีเดียวซึ่งก็หมายความว่ากิเลส ธ, ธรรมานั้นเวลาเขาเกิดแล้วก็ทํากิเลสส่วนที่ตรงกันข้ามกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันกิเลสก็ดีธรรมะก็ดีเขาเรียกมันเกี่ยวเนื้อกันพอธรรมะเกิดได้ข้อหนึ่งก็ก็ทําลายส่งที่ตรงกันข้ามกับเข า, ขายังเมตตาที่ก็เกิดขึ้น ในคนคนเดียวกันในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเกลียดเขาด้วยไม่ได้เราจะโกรธเขาด้วยไม่ได้เราจะริษยาเขาด้วยไม่ได้เราจะโลภอยากได้ของเขาก็ไม่ได้ใจมันไม่ไปนะใจจะมีจะให้มันไม่จะมีจะเอานันก็แสดงให้เห็นถึงว่าเมตตาที่เกิดขึ้นนั้นทําหน้าที่กระจัดพยาบาทคือกรจัดกิเลสประเภทโทสะได้ก่อนแล้จะโทสะที่หมดไปเนี่ย ทำให้เราพร้อมที่จะสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลแก่เขาหมามยงงมความว่ายังไงหมายความว่าเมตตาได้ขจัดความเห็นแก่ตัวลงไปได้ขจัดความเจ้าหนีออกไปได้ขจัดความโลภออกไปทําไมใจจึงเกิดเห็นคุณค่าของเมตตาเช่นนั้นก็เพราะปัญญาพิจารณาเห็นก็แสดงว่าปัญญามันเกิดขึ้นมาก่อน การฟังเทศจึงเป็นการเพิ่ม uh, ป um, ัญญาแต่มีข้อแม้ว่าต้องฟังให้ดีอย่างพระเจ้าทรงแสดงว่าสุสูงสังและประเด็ปัญญาฟังด้วยดีได้จะได้ปัญญาพะปัญญามันเกิดเกิดคิดเกิดคิดเกิดพิจิพิจารณาเกิดไตรตรองเกิดตัดสินใจเกิดปรงใจยอมรับร้อถือและประพฤติปฏิบัติ บางครั้งอย่ทรงแสดงในแนวของการเพิกปัญญาสายนี้ที่ว่าบุคคลเข้าไปหาสัตว์บุรุษเมื่อเข้าไปหาก็นั่งใกล้มาใกลก้เมื่อนั่งใกล้ก็ฟังธรรมในขณะที่ความก็เงี่ยหูลงฟังขณะเงี่ยหูลงฟังก็กําหนดข้อความที่ท่านแสดงแล้วก็พิจารณาข้อความจากจากที่ท่านแสดงจนเกิดเป็นความลูกความเข้าใจธรรมะทั้งหมดที่จริงมาก็แสดงสภาวธรรม แสดงส่วนที่เป็นโทษแสดงส่วนที่เป็นคุณมันก็แสดงอยู่สามเรื่องนั้นนั่นเองเราถ้าถ้าพิจารณาเห็นจริงที่เป็นสภาวธรรมว่าเป็นสภาวธรรมมันก็ธรรมดาของมันเกิดแก่ตายเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมเรื่องธรรมดาในส่วนที่เป็นโทษเช่นความพยาบาทเป็นโทษความโกรธเป็นโทษความาคัดแค้นความจองเวรล่างผลาญการมันก็เป็นโทษมันก็เห็นกันอยู่แล้วส่วนที่เป็นคุณก็คือเมตตาก็เป็นคุณ แล้วก็จับที่เมตาเมตาเมตตาก็ทําหน้าที่ของเขามันก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็ทําหน้าที่ของเขาก็คือแก้ปัญหาตัวตรงกันข้ามด้วยคือพยาบาทแล้วจากนั้นแล้วก็เมื่อเรารักเขาเราวังดีต่อเขาเนี่ยให้เราสังเกตดูที่ใจเราเองบุคคนใดที่เรารักระวังดีเนี่ยเราไม่อยากได้อะไรจากเขาแต่เราอยากให้เขา ควาะ ม, มัจฉรยาปัญก็ถูกขจัดความสนิ่ความหวงความเสียดายมันถูกขจัดความโลภมันก็ถูกขจัดต่อจากนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป